อินทผิวกับเซนบรรยายโดยท่านเขมานันทะณนะมูลนิธิอริยาภาเมื่อวันที่สิบแดธันวาคมพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าในเบื้องต้นนี้ผมคร่จะให้ได้ทราบถึงบทบาทและแนวคําสอนทั่วไปของ พัะพันอินทผิวหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพเป็นการแนะนำคร่าวๆซึ่งผมจะได้บรรยายต่อหลังจากจบคำนำนี้แล้วพุทธศาสนาในประเทศไทยย่อมมีลักษณะจำเพาะเป็นอย่างไทยแม้จะมีความเป็นอันเดียวกันกับพุทธศาสนาในลังกา พมา่ลาล่าและเขมรหรือรวมไปถึงกลุ่มประเทศมหายานทั้งหมดก็ว่าได้กล่าวเฉพาะในไทยนั้นความผิดแพกของสำนักต่างๆเป็นเพียงข้อปลีกย่อยเหมือนแกงแม้ต่างกันก็ยังขึ้นชื่อว่าแกงและเมื่อกินเข้าปากไปแล้วก็หมดชื่อกลับเป็นอาหารเสมอกันโดยหลักแล้ว ทนอาจารย์ทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันย่อมมีความเห็นคล้องจองกันในข้อปฏิบัติกล่าวคือจำต้องข่มนิวรณ์ให้ระงับด้วยการเจริญสมถภาวนาทำความสงบอย่างน้อยให้ถึงระดับที่เรียกกันว่าอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วถอนออกมาพิจารณาความจริงซึ่งเรียกว่า วิปัสนาผลจากการกระทำนั้นคือการรู้เห็นการเกิดดับของขันทตามความเป็นจริงก็จะเหนื่อยหน่ายคลกํกำหนัดไปเองเทคนิคต่างๆนั้นได้รับการค้นพบแล้วแล้วเล่าๆจากวิปัสนาจารย์และมีการถ่ายทอดสู่สานุสิ์และบริษัทต่างที่ทราบกันดี ทั้งฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาดนี้กฎวิธีที่สำคัญและหลักการปฏิบัติของชาวพุทธโ ด, ดยทั่วไปย่อมเน้นให้เห็นความสำคัญของสติและอ้างหลักสติปัฏฐานสี่เป็นตัวยืนส่วนกายคตาสติหรืออนาปานาสติแม้จะได้รับการระบุถึงก็ดูจะเป็นรองหรือรวมไว้หมดแล้ว ในสติปัฏฐานซึ่งถือเป็นทางสายเดียวสิ่งที่อุบาสกพันธ์อินทผิวหรือบัดนี้คือหลวงพ่อเทียนจิตตดสุโพมีความอุตสาหะแนะนำผู้คนเป็นจำนวนมากให้ได้รู้เห็นและเข้าใจนั้นดูจะผิดแผกแตกต่างจากสำนักอื่นๆทั้งในประเทศนี้ และในต่างประเทศไม่ใช่เพียงข้อปลีกย่อยแต่ต่างกันโดยหลักดังนั้นกลวิธีในการปฏิบัติจึงต่างกันไปตั้งแต่ต้นจนจบแม้กระนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวก็ยังหาใช่ลทัทธิใหม่อะไรไม่ทั้งยังได้ประมวลเอาแก่นสารแห่งธรรมของทุกๆฝ่ายเข้าด้วยกัน แต่ก็หาใช่ถ้อยคำปรองดองเข้าด้วยกันไม่ทั้งนี้เพราะการที่ท่านได้ถึงธรรมโดยปรัสะจากครูปรัสะจากพิธีรีตองอีกทั้งยังครองชีวิตเยี่ยงคลรหัาดทั่วไปอยู่ในช่วงนั้นเองที่ทำให้คำชี้แนะของท่านไม่โยกโครงจนกล่าวได้ว่าสิ่งที่ท่านรู้หามีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี แต่อย่างใดไม่ดังนั้นย่อมสอว่าเป็นสัจจะที่เป็นสากลไม่ขึ้นกับการเวลาในสมัยที่ท่านได้ไปแสดงธรรมณนะประเทศสิงคโปร์คำสอนและอีริยาบถของท่านเป็นที่ประทับใจของชาวสิงคโปร์เป็นจำนวนมากอันเป็นเหตุให้ชาวสิงคโปร์จำนวนหนึ่ง อุทิศตนเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านแม้ว่าช่วงที่ท่านอยู่สั่งสอนที่นั่นจะสั้นมากก็ตามทีการถึงที่สุดทุกข์ของอุบาสกพันธ์อินทผิวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นไปภายในคืนเดียวเท่านั้นทำให้บุรุษผู้ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี้กลายเป็นอาจารย์ของทั้งนักปวดและค้หั ภรรยาที่รักของท่านปฏิบัติตามที่ท่านชี้แนะและเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามเธอได้ช่วยหญิงชาวบ้านให้เข้าใจตามกำลังความสามารถที่เธอมีตราบจนวาระสุดท้ายเมื่อพระพันอินทผิวเดินทางไปสิงคโปร์เป็นหนแรกนั้นท่านได้พบปากกับยามดะโรชิ ผู้นำของพุทธศาสนานิกายเซนในปัจจุบันมีการสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะต่อกันในครั้งนั้นใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านักปฏิบัติฝ่ายเซนแทบทั้งหมดที่สิงคโปร์ได้เห็นบางอย่างเด่นชัดอันเป็นเหตุให้หันมาติดตามและเป็นสานุสิตของท่านโดยสมัครใจพระพัน ได้ช่วยให้เขารู้ความจริงอย่างง่ายๆตรงตรงนอกจากกลุ่มเซนแล้วยังมีบาทหลวงหนุ่มๆผู้ใฝ่หาสัจจะและอิสระชนจำนวนหนึ่งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอยู่อย่างเงียบเงียบทั้งที่สิงคโปร์ออสเตรเลียและฮาวายหลักคำสอนของพระพันนั้นชี้ตรงไปสู่แก่นของชีวิต ถึงสภาพที่เป็นอยู่แล้วในตัวทุกคนไม่เว้นใครเลยจะเป็นปุถุชนหรือพระพุทธองค์ก็เป็นอันนั้นอยู่แล้วเสมอกันแต่เพราะความหลงผิดไปจากธรรมอันนั้นจึงได้สร้างความจริงอื่นผิดไปจากอันนั้นแล้วสแสวงหาภายใต้กันนําของความคิดแยกแยะซึ่งรังแต่จะไม่รู้ยิ่งขึ้นแต่ถึงจะรู้ หรือไม่รู้ทามันเป็นอยู่แล้วนั้นก็หาได้เป็นประการอื่นไม่โดยให้รู้เห็นการเคลื่อนไหวของกายจิตจนกระทั่งสภาพรู้นี้มีกำลังและไวพอที่จะทำงานทางจิตได้เองในทุกครั้งที่มีความคิดเกิดขึ้นยาในลำดับก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อได้รู้สมุดฐานของความคิด กล่าวอย่างง่ายๆว่ารู้จักใจได้แล้วไม่ใช่เพียงสร้างภาพของใจขึ้นจากพจน์คือคำพูดหรือคำที่คิดขึ้นซึ่งต้องถือว่าเป็นเพียงการอนุมานคล้อยตามความคิดไปอันนี้ถือว่าเป็นวิปัสสนาปกิเลสคำพูดและการอธิบายทำทั้งหมดในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดเป็นอุปสรรค ครอบคลุมของจริงเอาึงซึ่งหน้าพระพันมีความเข้าใจชัดและมีมติว่าทำแท่นั้นรู้เอาโดวงหน้าไม่ได้เพียงรู้คิดนั้นยังห่างไกลธรรมเราฟ้ากับดินทั้งนี้เพราะเกิดเมาสมมุติเมาถ้อยคำเมาเหตุผลที่สร้างขึ้นโดยปริศจากสภาวะรองรับเมื่อใดความคิดได้ถูกแลเห็นแล้ว คือการรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยต่ออารมณ์ที่เข้ามาในรูปของความคิดคือ น, นา ม, มาลูปรวมไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อนั้นความรู้ตัวก็จะออกหน้าหรือแสดงตัวออกมาซึ่งเป็นญาณที่ไม่อยู่ในลำดับดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องเป็นไปอย่างฉับพลัน หรือชนิดหิดใจเดียวต้องให้สิ่งที่เป็นแล้วมีโอกาสแสดงตัวออกมาในการปฏิบัติจึงไม่มีการกระทำอันใดอื่นทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับพิทีบรีตองท่องบนมน์ภาวนาถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่การกำหนดลมหายใจเข้าออกคืออนาปนสติควบคุมลมปราณ น, นอกจากการไม่ขึ้นกับความคิด ไม่เข้าไปในความคิดและไม่มุ่งขจัดความคิดทันทีที่มีสภาวะแห่งความรู้สึกตัวเช่นนั้นถือว่าเป็นทุกอย่างในทางปฏิบัติกล่าวคือเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยเบ็ดเสร็จเพราะเป็นการปล่อยให้สภาพที่เป็นแล้วมีแล้วได้ทำงานตามธรรมชาติของมันเองไม่มีทั้งการกำหนด ไม่หวังทั้งผลไม่มีการกระทำใดๆคงปล่อยให้สภาพเป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเพียงแต่ประคองไม่ให้เผลอเข้าไปในความคิดเท่านั้นเป็นพอทั้งนี้ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยความรู้สึกตัวตามธรรมดาและปล่อยให้ความจริงตามสภาวะวิสัยการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ในการรู้ได้ทำหน้าที่เผยตัวมันเองออกมาจึงไม่มีทั้งการหลับตาทำความสงบเพื่อกรบเกลื่อนหรือหลบหลีกไม่มีทั้งการสร้างพลังแห่งความสงบคือสมถะซึ่งถือว่าเป็นการสงบอยู่ภายใต้โมหะไม่มีการเจริญปัญญาหรือพิจารณาอารมณ์ในแง่ไตรลักษ์ ซึ่งถือเป็นเพียงการให้กำลังแก่อวิชายิ่งขึ้นไม่มีการจดบันทึกไม่ว่าจะเป็นบันทึกในครองความจำหรือในสมุดไม่มีแม้การหาเหตุผลตามแนวปฏิจจสมุปบาทหรือปัจยายการหรือตักะไม่มีการกาหนดให้รู้ให้เห็นเป็นอะไรอื่นไม่มีการสร้างสภาวะใดๆขึ้น มีอยู่แต่การรู้แล้วทิ้งเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏแก่จิตแม้ปิติสุขเอกัคตาก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาสุ ข, ขก็ไม่เอาแต่ก็ใช่ว่าจะไปสร้างสารภาวะอื่นขึ้นในรูปของความคิดใหม่ๆแปลกๆเพื่อกะยึดดังนี้เองคำชี้แนะของท่านจึงอาศัยเพียง กนวิธีกับความเข้าใจอันเดียวนี้เท่านั้นไม่มีการสนับสนุนให้เป็นนักคิดนักทุดงนักตำรานักภาษาศาสตร์ผู้ซึ่งเพียงแต่หาถ้อยคำแปลกๆมาเสนอกฎวิธีนี้มิใช่เพื่อการบรรลุถึงสิ่งใดๆเป็นเพียงการเร้าความรู้สึกตัวหรือเป็นเพียงความรู้สึกตัวโดนๆเท่านั้น ให้สิ่งที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดได้แสดงตัวมันเองออกมาจึงมีการเริ่มต้นจากความรู้สึกธรรมดาเฉยๆไปสู่ความลึกซึง้งเมื่อมันแสดงตัวออกหมดความรู้สึกอันเดียวกันนั้นจะเป็นทั้งความธรรมดาเพราะมีอยู่แล้วไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นทั้งความมหัศจรรย์เมื่อแสดงออกได้หมดสิน้น บุคคลิกภาพและคำสอนของพระพันอินทผิวไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ก็ไม่ใช่สิ่งเก่าครั้งโบราณกาลแม้คำสอนของท่านจะมีจุดอ่อนเป็นอันมากเนื่องจากได้หยิบยืมถ้อยคำทางศาสนามาใช้ตามความเข้าใจของท่านแต่ก็หาได้ลดความจริงที่ท่านมุ่งหมายไม่นักศึกษาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม ย่อมพบอุปสรรคอย่างยิ่งต่อถ้อยคำโมหารเสมือนว่าท่านทำความวิบัติให้แก่ศัพทศาสนาเช่นขันในภาษาบาลีท่านอธิบายว่าดังขันน้ำอันเป็นเครื่องรองรับซึ่งจะต้องทำให้แหลกปนไปด้วยปัญญาความวิบัติของพยัญชนะอันนี้เทียบไม่ได้กับคุณอุปการที่ท่านได้อุตสาหะ ช่วยอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจมีอะไรบางอย่างที่พระพัน์อินทผิวต้องการจะบอกกล่าวและสิ่งนั้นหลายๆคนที่ติดตามท่านและปฏิบัติตามอยู่จะไม่มีวันลืมเลือนคือมันเป็นอยู่แล้วจะรู้หรือไม่รู้สิ่งนี้ก็เป็นอยู่แล้วในคนทุกคน เพียงเข้ามารู้มาเห็นเท่านั้นทุกอย่างจะเผยตัวออกอย่างน่าอัศจรรย์บางอย่างซึ่งหล่นหายไปในท่ามกลางพัฒนานการทางสังคมน่าจะเป็นกุญแจดอกเอกในการเข้าให้ถึงสัจจะไม่ใช่เพียงแต่ลูกครัมผ่านทางรูปแบบพิธีรีตองบางทีหากว่าข่าวสารที่พระพันธ์อินทผิว มีอุตสาหะบอกกล่าวโดยปราศจากเยื่อใยต่อสุขภาพและไวยอนรวงเลยไปทุกขณะของท่านจะช่วยปลุกประชาชนให้มีความตระหนักในค่าของชีวิตที่มีแล้วเป็นแล้วและการดำเนินชีวิตตามธรรมดาสามัญในชีวิตวันต่อวันจะกลายเป็นมรควิถีของชีวิตทั้งโดยส่วนตัวและทั้งเป็นการชูชาติบ้านเมืองนี้ ให้ดีขึ้นวันหนึ่งข้างหน้าก็เป็นได้และบางทีข่าวสารจากพระพันธ์อินทผิวจะทำให้เรารู้ความจริงของชีวิตอย่างฉับพลันทันทีก่อนที่ตัวเราจะตายและก่อนที่ชาติเราจะสูญเสียหลักสศธรรมอันเป็นต้นทานของวัฒนธรรมประเพณีที่น่านิยมอย่างยิ่งในอดีตเมื่อได้ฟังบทความที่ได้เขียนไว้แล้วนั้น ภาระที่ผมจะต้องอธิบายเน้นถึงคำสอนของพระพันอินทผิวก็น้อยลงซึ่งจะได้แบ่งเบาภาระให้ผมพูดในเรื่องของเซนมากขึ้นในการพูดครั้งนี้ผมใคร่ชี้แจงว่าไม่ได้โฆษณาคำสอนของหลวงพ่อเทียนและไม่ได้พูดในนามสิทธิ์ของท่านการพูดของผมเองถือว่าเป็นอิสระ มียายใครจะมีความคิดเห็นว่าคําอธิบายนี้ถูกต้องหรือผิดพลาดผมก็ได้ทําตามเที่ยรู้สึกตามเที่ยวรู้เห็นตามประสบการณ์ที่เคยเข้าไปสัมผัสกับหลวงพ่อเทียนเป็นการส่วนตัวเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสมัยที่ท่านยังเขียนหนังสือไม่ได้และอ่านไม่ออกรวมถึงการที่ผมได้เข้าไปรู้จักบรรดาอาจารย์ และสารุสิตของเซนมาบ้างจุดมุ่งหมายของการพูดครั้งนี้คือการเสนอทางเลือกเท่านั้น